มิลินธปัญหาของกรมศิลปากปรปฐมวักนามปัญหาที่หนึ่งถามว่าท่านชื่ออะไร ชื่อหน้าคาเษนด้วยอัตว่ากะไรอาทโขมิลินโทราชาในการครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงทรงปุจชาซึ่งปัญหายิ่งขึ้นไปว่าธรรมดาว่าบุคคลอันสนทนากันถ้าไม่รู้จักนามและโคดแห่งกันและกันถ้อยคำอันบังเกิดขึ้นแต่ชนทั้งสองนั้นไม่ได้ถาวรตั้งมั่นเหตุดังนี้เราทั้งสองจะต้องรู้จักชื่อกันเสียก่อน กินนาโมสิพระผู้เป็นเจ้าชื่ออะไรพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่านาคเสโนติสมุธาจารันติเพื่อนพรหมจันทร์ท่านร้องเรียกชื่อของอัตมาภาพว่านาคเสนประการหนึ่งโสดมารดาบิดาท่านให้ชื่อแก่อัตมาภาพหลายชื่อคือชื่อว่านาคเสนหนึ่งชื่อว่าวีระเสนหนึ่ง ชื่อว่าสุระเสนหนึ่งชื่อว่า ส, สรีหเสนหนึ่งข้อซึ่งมีนามชื่อว่านาคะนั้นด้วยอัตถว่าอาคุงปาปรกรรมมังนะัก ร, รตูตีตินาโคแปลว่าบุคคลผู้ใดมิได้กระทําซึ่งกรรมอลามกบุคคลผู้นั้นชื่อว่านาคะซึ่งมีนามชื่อว่าเสนานั้นด้วยอัตถว่าเป็นที่พมนักหมอบกราบลง แห่งบุคคลอันยอมตนเป็นสิทธ์มาศึกษาเล่าเรียนชื่อว่าวีระนั้นด้วยอัตถว่ามีความเพียรมิได้ย่อหย่อนชื่อว่าสุระนั้นด้วยอัตถว่าองค์อาจปราศจากภัยมิได้ครั่นคร้ามในทถ้ำกลางบริษัทชื่อว่าสรีหะนั้นด้วยอัตถว่าเป็นที่ยำเกรงแก่นักป ร, ราชทั้งหลายอื่นดุดดังว่าพระยาไกรสอนมราชสี อันเป็นที่เกรงกลัวแก่หมู่มรคชาตทั้งปวงและเสนาศพนั้นมิอัดเหมือนดังวิสัชนาแล้วในานามเบื้องต้นคือหน้าคเษนั้นสาสมัญญาอันว่ากล่าวซึ่งชื่อทั้งปวงดังนี้เป็นสมมุติโวหารอันโลกทั้งปวงหากตั้งไว้จะมีสัตว์มีบุคคลเป็นที่ตั้งแห่งมานะทิฐิถือตั้งมั่นว่า อะหังมะมังในชื่อทั้งปวงนั้นโดยปรมัติ์หาไม่ได้อทาโคมิลินโท ร, ราชาในการนั้นสมเด็จพระเจ้ามิดินจึงร้องประกาศแก่ชาวโยนกห้าร้อยและพระภิกษุสงฆ์ง 80, แปดหมืนว่าสุนันตุเมโพนโตชาวโยนกห้าร้อยและพระภิกษุสงฆ์แปดหมื่นจงฟังถ้อยคำแห่งพระนักเสนบอกแก่ข้าพระเจ้าว่า เพื่อนพรุมจันทร์ท่านเรียกอัตมาภาพว่าน้าเกษณจะมีสัตว์มีบุคคลในชื่อนั้นโดยประมัิหาไม่ได้สะเจพันเตสตโตนัตติข้าแต่พระน้าเกษณผู้จำเรินถ้าสัตว์และบุคคลไม่มีเหมือนดังคําของพระผู้เป็นเจ้าแล้วฉะนไหนเลยทา ย, ยกที่ได้ถวายจตุปัจจัยแก่พระน้าเกษณจะได้กุศลผลบุญเล่า ผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่าจะฆ่าพระนาค เ, เสษนผู้เป็นเจ้าเสียถ้าเขาจะฆ่าเสียจะได้บาปกรรมอะไรโยมเห็นว่าจะเปล่าไปเหมือนชื่ออันบัญญัติเปล่าอันหนึง่งขรึกหัดและบัรพชิดเรียกชื่อกันย่อมสรรเสริญนินทากันว่าผู้นั้นดีผู้นั้นชั่วเล่าก็เห็นว่าเปล่ า, เป ล, าเปล่าทั้งนั้นเหตุเป็นนามบัญญัติเปล่าประการหนึ่งเล่า เหมือนทา ย, ยกทั้งหลายเขาถวายจะตุปปัจจัยแก่พระผู้เป็นเจ้าก็ใครเล่ารับจีวรที่ทา ย, ยกให้ใครเล่ารับบินทบาทที่ทา ย, ยกให้ใครเล่ารับเสือสาดอาสนะที่ทา ย, ยกให้ใครเล่ารู้ไปในพระไตรปิฎกใครเล่าเป็นสังฆปรินายกใครได้มักได้ผลถ้าจะว่าโดยฝ่ายอากุศล น, นั้นเล่าข้อนี้สิบเปล่านับเข้าที่ตัว บุคคลนั้นนับไม่ได้จะรู้ว่าใครกระทำปานาติบาตใครกระทำอัินาทานจะรู้ว่าใครกระทำกาเมสุมิชฉาจารจะรู้ว่าใครเจรจาโมษาจะรู้ว่าใครเสบสุราใครกระทำปัญจานันตริยะกรรมเล่าสารพัดจะเปล่าไปผลบุญผลกรรมที่บุคคลกระทำเองก็ดีใช้ให้เขากระทำก็ดีก็เปล่าไป เหตุชื่อบ่ไมิจัดเป็นสมมุติเข้าว่าชื่อนี้ชื่อนั้นจะรู้ว่าใครต่อใครฟังได้อยู่แล้วหรือกระไรอย่างวัทศิพระผู้เป็นเจ้าได้ว่ากัโยมสินะว่าสมณะและสมเนนเรียกอัตมาแต่วันอุปสมบทมาชื่อว่านากนั้นโยมเรียกพระผู้เป็นเจ้าว่าพระนาคเษนณสุยสิพระผู้เป็นเจ้าได้ยินหรือไม่ ถวายพระพรได้ยินถ้าพระผู้เป็นเจ้าได้ยินแล้วชื่อหน้าเกษ น, นี่แหละก็จัดเข้าในบุคคลคือตัวพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้านี้ชื่อหน้าเกษหรือขอถวายพระพรหาไม่ได้เกสาผมพระผู้เป็นเจ้าหรือชื่อหน้าเกษขอถวายพระพรหาไม่ได้โลมาขนหรือชื่อหน้าเกษ ข, ข, hundred hundred ขอถวายพระพรหาไม่ได้นขาเล็บยี่สิบนั้นหรือชื่อหน้าคเษณขอถวายพระพรหาไม่ได้ทันตาฟันนั้นหรือชื่อหน้าคเษณขอถวายพระพรหาไม่ได้ตะโจหนังกำพร้าหุ้มกายนั้นหรือชื่อหน้าคเษณขอถวายพระพรหาไม่ได้มังสังเนื้อทั้งหลายในกายนั้นหรือชื่อหน้าคเษณ ขอถวายพระพรหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสาขละนครมีสุนทรพจนนาฏพระราชาองค์การตรัสถามไปโดยในเนื่องกันว่านาหารูคือเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันอธิมินชังเยื่ออันมีในกระดูกวักกังวาคือม้ามก็ดีหะทัยังวาคือหัวใจก็ดี ยะกนังวาคือต like, ับก็ดีกิโลมะกังวาคือพังผืดก็ดีปิหากังวาคือพุงก็ดีปับผาสังวาคือปอดก็ดีอันตังวาไส้น้อยก็ดีอันตะคุนางวาไส้ใหญ่ก็ดีอุทาริยังวาอาหารใหม่ก็ดีกระีสังวาอาหารเก่าก็ดีปิตังวาคือดีก็ดีเสมหังวา คือเสมหะก็ดีปุบโพวาคือหนองก็ดีโลหิตังวาคือโลหิตก็ดีเสทังวาคือเหงื่อก็ดีเมทังวาคือมันก็ดีอัสุวาคือน้ำตาก็ดีวสังวาคือมันเหลวก็ดีเขลังวาเขละก็ดีสิงคานิกังวาคือน้ำมูกก็ดีลสิกังวาคือไขข้อก็ดี มุดต่างวาคือน้ำมูดก็ดีมัถกะงวาคือสมองศรีรษะก็ดีมัทหลุงคังวามันในศรีรษะก็ดีเหล่านี้หรือชื่อว่าน่าเกษณ์หิมหาราชะดุรานะบพิธพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงธท ร, รมิกระราชาที่ราชผู้ประเสริฐส่วนทั้งปวงนี้จะได้ชื่อว่าน่าเกษณหาไม่ได้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินส า, าระนะคราครจึงมีพระสุนทรพุทธนาฏประพาสักต่อไปในเบญชะขันทั้งห้าว่ารูปังวารูปประขันของพระผู้เป็นเจ้านั้นก็ดีเวทนาขันก็ดีสัญญาขันก็ดีสังขารขันก็ดีวิญญาณขันก็ดีดังนี้หรือชื่อนาคเษณณหิมหาราช ดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสิ่งเหล่านี้จะได้ชื่อว่าน่าเกษมหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทราธิบดีจึงมีพระราชโอ่งการตรัสถามด้วยธาตุจัดเป็นคู่กันว่าจักขู่ธาตุและรูปธาตุนี้ประการหนึ่งโสตธาตุและสัตธาตุประการหนึ่งขานะธาตุและคันธาตุประการหนึ่ง ชิวห า, าธาตุและรศาาธาตุประการหนึ่งกายาธาตุและโพธพาธาตุประการหนึ่งมโนาธาตุประการหนึ่งจักขู่าธาตุที่ทรงจักูุให้เห็นรูปอันทรงตัวเป็นรูปหญิงรูปชายก็ดีโสตาธาตุทรงโสตทั้งสองให้ได้ยินเสียงชื่อสัทธาธาตุัทธาธาตุนี้จะเป็นเสียงนั้นคือสารพัดสัทธสำเนียงทั้งปวงก็อาศัยทรงให้เป็นเสียง เสียงทั้งปวงมากระทบโสตทาศคือาหูทั้งสองก็โสตทาานี้ทรงหูทั้งสองไวไม่ให้หนวกหนักจึงได้ยินขานาท่าจมูกให้ดมกลิ่นมิให้เป็นวัดและฤิสีดวงเป็นต้นและกลิ่นนั้นคือท่าศงไว้ซึ่งคันท่าตึก็ทรงตัวเองที่เหม็นก็ให้ทรงกลิ่นเหม็นที่หอมก็ให้ทรงกลิ่นหอม แม้ว่ากลิ่นกลายหายไปก็อาศัยธาตุไม่มีชิ่วหาธาตุส่งลิ้นให้รู้รสว่าเค็มขาวหวานเป็นต้นรสาธาตุคือเค็มขาวหวานนั้นก็อาศัยแกธาตุส่งไว้ถ้าธาตุวิปริตแล้วก็กลับกลายไปและกายธาตุนั้นก็ส่งกายให้รู้เจ็บปวดกระวนกระวายและให้รู้เพลิดเพลินสบาย ถ้ากระทบโผฏฐพธาตุคือสิ่งกระด้างและอ่อนสิ่งที่กระด้างเป็นต้นว่าสตวราวุธและก้อนหินศิลามีธาตุทรงไว้ให้กระด้างปางเมื่อฟันฟาดบาดเข้าแล้วที่กายกายนี้ก็เจ็บปวดสุดประมาณประการหนึ่งสิ่งที่ละอ่อนอ่อนเป็นต้นว่าฟูกหมอนและละอ่อนอ่อนเป็นเนื้อทิพมาต้องกายมนุษย์ทั้งหลายเข้าเมื่อใด ก็เพลินใจอาศัยเพราะกายธาตุนี้ถ้าหากกายธาตุมิได้มีที่ตั้งที่ทรงแล้วกายก็มิได้ประชุมกันเป็นเนื้อเป็นตัวและมโนธาตุนั้นทรงไว้ให้เป็นใจเป็นจิตอยู่ทั้งนี้อธิบายด้วยธาตุเป็นคู่กันและมโนธาตุอันเดียวตามวาระพระบาลีสมมุติเป็นใจความเท่านี้ เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอ่งการตรัสถามด้วยท่าทั้งปวงว่าทาาทั้งหลายนั้นหรือหน้ า, าเคเษนฝ่ายพระหน้ า, าเคเสนผู้วิเศษก็ถวายพระพรปฏิเสธมิได้ถวายพระพรรับพระราชโองการพระเจ้ากรุงมิลินนรินทร์ทรมาหาศาลจึงกลับเอาขันห้าประการมีรูปประขันเป็นต้น มีวิญญาณขันเป็นปริโยสารมาถามอีกเล่าฝ่ายพระนาคเสนผู้เป็นเจ้าก็มิรับกลับถวายพระพรปฏิเสธสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีวจีพจนานประภาทถามว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าทมที่นอกกว่ารูปนอกกว่าเวทนานอกกว่าสัญญานอกกว่าสังขาร น, นอกกว่าวิญญาณนี้หรือ เป็นนามชื่อว่านาคเกษพระนาคเกษผู้วิเศษก็ถวายพระพรว่าหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราทิบดีได้ทรงฟังจิงตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าสารพัดสารพันที่โยมจะเอามาถามซอกซอนถามพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าปฏิเสธว่ามิใช่นามของพระผู้เป็นเจ้าโยมเก็บเอามาถามด้วยขันและทาต และอาการส2มสองมีในกายตัวของพระผู้เป็นเจ้าสารพัดณนะปัต ส, สามิณนะทักขามิโยมไม่พิจารณาเห็นธรรมสิ่งใดที่จะนับเข้าในชื่อของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเจรจาเปล่าเปล่าอาลิกังพระผู้เป็นเจ้าเจรจาลอมแลมเลาะแะไม่ควรฟังมุสาวาทังพระผู้เป็นเจ้าเจรจามุสาสับปลับ เดิมบอกว่าชื่อหน้าเกษตรแล้วกลับไม่รับดูหรูพระผู้เป็นเจ้านี้ซับปรับเจรจามุสาดูรายโยนกข้าหลวงทั้งปวงห้าร้อและพระภิกษุ8ป0ส0พันที่ข้าอ้างเป็นอุตรีพยานนี้ฟังเอาด้วยกัร น, นาการบัตินี้เอวังวุตเตเมื่อสมเด็จพระเจ้ามิลินนรินทราธิบดีตรัสบริพาทด้วยทารุณมราชพจนานาตอัญญบ เป็นอริย ป, ปวารคำชกันแก่พระนาคเสนองค์อรหันชะนี้อายสมานาคเสโนฝ่ายพระนาคเสนผู้มีอายุอรหาเป็นองค์พระอรหันอันมีกรรมกงแห่งสังสาระจักอันจะชักให้สัตว์เกิดตายเวียนไหวในวัฏะสงสารประหารขาดฉลาดด้วยพระปฏิสัมพิธา มีพระปัญญาปลุกปลงไปในปฏิสัมพิทาทั้งสี่คือธรรมะปฏิสัมพิธาแตกฉานไปในพระสูตรพระวินัยพระประมัตมมีหนาอีกปฏิเวทธรรมทางมักทางผลอัฏฐปฏิสัมพิธาฉลาดในอัฏฐกถาบาลีอัดแปลแก้ไขนิรุตติปฏิสัมพิธา ฉลาดในอักขระอักษรพยัญชนะนิมิตนิเคหิตพินทุสิ้นทุกประการมิได้กังขาปฏติภานะปฏิสัมพิธาได้ชานในอ่านสวดให้ถูกตามครุลหุธนิสีถินลำนำฉันทานุรักษและเทศนาสำแดงทำอันน้อยใหญ่แกล้วกล้าไปทุกประการได้พระปฏิสัมพิทายานทั้งสี่ยิ่งยอดบุคคลถึงชะนี้ เมื่อสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีทรงบริา พ, พาทเพอวันนั้นมีน้ำพระทัยมิได้ไหวหวั่นฉั้นใดอุปมาอุปไมเหมือนจอมเสลาราชพระยาเมรุมาศสิครินทร์อันมิได้รู้โอนอ่อนสะเทือนสะท้านด้วยลมกาละเวลำภาวะหากพัดจะได้โกรธกรุงมิลินปิ่นกษัตริย์อันตรัดด้วยพระุษ ว, วหูหานหามิได้ เมตตาภาวิโยพระผู้เป็นเจ้าเบิกบานด้วยจำเริญชานเมตตาเอ็นดูหนักหนาจะอุปมาฉันใดอุปมายประดุดมานดาอันเห็นบุตรของอาตมาอันเป็นทารกกำหนัดนมกำดัดที่จะรักกำดัดที่จะชมเชยอันเที่ยวเล่นไกลแล้วอยากนมและร้องให้พี่อะไรร่ำมามานดาเห็นลูกรักก็วิ่งออกไป กระพัดกระพองร้องเรียกบุตรของอัตมาวัยวัว่าลูกเอย๋ยเจ้างามประเสริฐมาเถิดพ่อมาแม่มาตกว่าพระหน้าเกษณ์ผูกเมตตาต่อสมเด็จบรมมกษัตริย์กรุงมิลินทาราธิบดีนี้ก็เหมือนกันพระเจ้ากรุงมิลินนั้นยังเป็นปุถุชนพระผู้เป็นเจ้าไม่มีความโกรธจะโปรดให้ได้มรรคผลสเสวยชนอมริธาราน้ำนม ให้บรมบอพิษอันประพฤติ ท, ทุจริต ม, มืดมิดอยู่เป็นกําลังเร่งให้เสวยเสียยังแล้วจะโปรโดให้ได้นิพานเมืองแก้วเสียในปัจจุบันชาตินั้นด้วยแก้ปัญหามิลินทสระรัญโยเจตสาพระผู้เป็นเจ้ารู้จิตวาระนาพระราชหฤทัยอัจฉาไยของกรุงมิลินภูมินทราธิบดีนั้นทำเป็นประหนึ่งจะวิสัชนามิได้ ดุษณีภาพนิ่งอยู่ประมาณครู่หนึ่งในการนั้นมุหุตังตุนฮีหุ ต, ตวาพระนาคเษนผู้ปรีชานิสีทนานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูก่อนบรมบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสมบัติบอพิษนี้เป็นกษัต ร, ริย์อันสุขุมาลัยมิ่งมหายสวรรค์ อจันตะสุขุมาโลสุขุมโดยแท้แต่เสด็จจากพระราชนิเวศมาสู่ประเทศอสงไขยบริเวณเท่านี้ดูนีหมองสีนักหนาอันหนึ่งเสด็จมาก็ต้องแสงสุริยะกล้าเป็นเวลามัชชันติกะสมัยน้ำพระไทยจิงกลัดกลุ่มรุ่มร้อนทรงบททจรเสด็จพระราชดำเนินมายังสำนักอัตมานิเล่า ก็เสด็จด้วยพระบาทเปล่าชะรอยระแหงหินกรวดอันใดป้าเทรุชันติย่อเข้าที่ฝ่าพระบาทปวดประชวนแสบสามารถหรือกอะไรนั้นจันดิโยจึงร้ายกาศพระราชองค์การประพาทเล่าก็หยาบยามนี่แนะอัตมาจะถามบบพิษพระราชสมภารเจ้าบบพิษพระราชสมภารเจ้าเสด็จมานี้ ด้วยพระบาทเปล่าหรืออุทาหุหรือบพิษพระราชสมภารเจ้าเสด็จจากราชฐานด้วยพาชีสินทบชาตอาชาชานยานามาตอันใดจงตรัสพุจานาฏพระพาทแกอัตมานในการบัดนี้อัทโคมิลินโทราชาแท้จริงอันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการผดีียงว่า พันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเสณเมื่อโยมจะมาสู่อสงไขยบริเวณสำนักพระผู้เป็นเจ้านี้โยมไม่มาด้วยพระบาทเปล่ามาด้วยรถครั้นมาสู่สำนักพระผู้เป็นเจ้าโยมเข้ามาด้วยพระบาทเปล่าพระนาคเสณได้ฟังพระราชองการประพาธจึงประกาศว่าดูกระราราชเสวกโยนกทั้งห้าร้อย ฟังเอาเถิดถ้อยคําสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินผู้ประเสริฐตรัสว่ามาด้วยรถมาสู่สํานักอัตมานี้มาด้วยพระบาทเปล่าชาวเจ้าทั้งปวงกับพระภิกษุ8ปดสิบพันจงฟังเป็นพยานในการบัตดนี้พระนาคเษนจึงมีเถระบุตรฉาถามว่ามหาราชะดูกระะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชสมบัต ซึ่งมีพระราชะองค์การตรัสว่าเสด็จด้วยรถนั้นตรัสมั่นคงละหรือเออข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมว่าโยมมาด้วยรถจริงพระนากเกษนมีเถระปุจฉาถามว่าบ่ผิดพระราชะสมภารบอกว่ามาด้วยรถนั้นอีโสงอนนั้นหรือชื่อว่ารถสมเด็จพระเจ้ามิลินนะรินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่า งอนั้นจะได้ชื่อว่ารถหามิได้พระนาคเสศมีเถระบุตรชาสักถามต่อไปว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเพลานั้นหรือชื่อว่ารถพระเจ้ามิลินภูมินทรทิเบตปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคเสศมีเถระบุตรชาสักถามต่อไปว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ จากกังวา่าจากนั้นหรือชื่อว่ารถขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นสา克拉นครปฏิเสธว่าหาไม่ได้พระนาคเสนมีเถระปุชาซักถามต่อไปว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐรัฐธันดากังวาคันชักนั้นหรือชื่อว่ารถขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคาเษนมีเถระปุชชาซักถามต่อไปว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐรัฐปัญชรังวาเรือนรถนั้นหรือชื่อว่ารถขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินก็ปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคาเษนมีเถระปุชชาซักถามต่อไปว่ามหาราชา ดูราณะบ่อพิษพระราชสมภานผู้ประเรสริฐรัศมิโยเชี่ยกรถนี้หรือชื่อว่ารถขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคเษนมีเถระวาจาซักถามต่อไปว่ามหาราชะดูราณะบ่อพิษพระราชสมภานผู้รรประเสริฐประตูทยัติประตักสําหรับถือนั้นหรือ ชื่อว่ารถขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคเษนมีเถระปุจชาสักถามสืบต่อไปว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐยุคังวาแอกนั้นหรือชื่อบรรดขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปฏิเสธว่าหามิได้พระนาคเษนมีเถระวาจาถามไปจนสิ้นสุดชนี จึงมีเถระบริพาตัดพ้อว่ามหาราชะดูราณะสมเด็จบพิษผู้ประเสริฐในราชสมบัติเมื่ออาตมาเอาเครื่องรถนั้นมาถามท่วนทีบพิษก็ตรัสว่ามิใช่รถตรัสปฏิเสธยั่งยืนณนะปัตสามิอาตมาไม่เห็นสิ่งใดที่จะเรียกว่ารถทั้งสิ้นหมดเดิมทีสิตรัสบอกว่าสเสด็จออกมาด้วยรถ ครั้นอัตมาถามหานามรถว่าสิ่งนี้หรือชื่อว่ารถก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่รถกระนั้นก็บทรูปเล่นเออเป็นถึงอักษรราชเรืองเดชในประเทศทวีปชมพูไม่มีความอดสูดูหรูมาตรัดมุสาวาชช่างประพาสได้ฟังเอาเป็นรายราชเสวกโยนกฆ่าหลวงทั้งห้าร้อยอันหมอบรายเรียงเคียงกัน และพระภิกษุสงฆ์แป0พันที่เราบอกไว้เป็นพยานนั้นจงฟังเอาด้วยกันในการบัดนี้ขณะนั้นมูราชเสวกโยนกฆ่าหลวงห้าร้ก็มีกล้องร้องซองสาธุการพระหน้าเกษณีต่างๆบางพวกที่ตัวโปรดก็บังคับเหนือสิโรธแล้วทูลเตือนสมเด็จบรมกษัตริย์ให้ตรัสแก้ไข ส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินปินสาข拉 ร, ราชธานีจึงมีพระราชโอการแก้ปัญหาว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าโยมจะได้เจรจามุสาวาทหาไม่ได้นามบัญญัตชื่อว่ารถนั้นอาศัยสัมภาระเครื่องรถพร้อมกันหมดคืองอนและจักรเพลา่าและคันชักรถและเรือนรถและเชือกรถ และประตักกับแอกทั้งหมดจึงได้บัญญัตินามชื่อว่ารถนะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจุงทราบด้วยประการชนีพระนาคเกษจึงมีเทระวาจาถวายพระพรว่าดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐใน บ, บวรมาหัยสวรรค์อัตมาก็เหมือนกันที่ถวายพระพรไว้ว่าชื่อนาคเกษนั้นจะได้มุสาหามิได้ อาศัยอาการ32สองของอัตมาเป็นอาทิคือเกษาโลมาตลอดถึงมัดทลุงขังทั้งหมดจึงได้นามบัญญัติปรากฏชื่อว่านา้าเกษเหมือนชื่อว่ารถอาศัยสัมภาระทั้งหมดจึงเรียกว่ารถทยานก็สมด้วยคำท่านปตาจาราภิกษุนีกล่าวไว้ในที่เฉพาะพระพักของสมเด็จพระทศพลพิชิตมารโมลี ยุติด้วยวาระแห่งพระบาลีว่ายะถาปีอังคสัมภารูโหติสัพโภรโอิติเอวังขันเทสุสันเตสุโลโกสัตโตติสัมมติติกระแสะความว่าสัพโภรโอิติอันว่าสัมภาระเครื่องรถพร้อมทั้งหมดได้นามบัญญัติเรียกว่ารถยะถามีครุวนาชันใด สตติสัมมติได้ชื่อว่าสัตว์ว่าบุคคลนี้ก็อาศัยมีขันพร้อมห้าประการเอวงะะังเมตตาาเปรียบปานดังรถนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีทรงพระสวนาการแก้ปัญหาชะนี้น้ำพระทัยเท้าเธอปรีดาประโมทออกพระโอษฐัดซองสาธุการว่า สาธุศักรพระผู้เป็นเจ้าช่างแก้ปัญหาอัจฉริยังโยมอัศจรรย์นักหนาโยมสำคัญว่าอยู่โยมแล้วทีเดียวพระผู้เป็นเจ้านี้เฉลียวฉลาดสามารถนักหนากลับกล่าวปัญหาเปรียบเทียบอุปมาวิจิตให้คนทั้งหลายคิดเห็นกระจ่างแจ่มใสยะธิพุทโธติดถยะถึงแม้ว่าสมเด็จพระชิเนธระทศพล ยังสถิตมีพระชนอยู่นี้จะโปรดปรานตรัสสาธุการประธานที่ฐานานันอนให้เป็นเอ ก, กบุคคลข้างแก้ปัญหาในการบัดนี้นามปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้